ว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่กายยะพิสิทึกถึงได้วิบาตินถึงมันทรียาเอาแค่ตายตัวเดียวก็พ อ, อถ้ามันต้องตายถ้ามันตายอย่างนี้ธาตุต่อไปเราจะไม่มีร่างกายอย่างนี้อีกเอาแค่นี้พอแล้วถแค่ต่อไปนั่นเกนี่จะในนี้จะคิดว่าเราในเมื่อเราร่างร่างกายมันตายอะไรขอปณิธานมันนั้นก็ดีอยู่ตั้งเป้าเลยอาแ น, นะ เนี่ยก็หมดเวลางั้นที่ผ่านก็ไปไปงานไม่ยากเลยไม่ยากจะไม่มีคนอยากไป <c oughs> <c oughs> ขอบันดาลญากิโยพุทธบริสุทธหลายเวลาปฏิบัติกับรระฐานยุง่งยานดแรกคิดถึงร่างกายก่อนว่าร่างกายต้องตายแน่นอนหลังจากนั้นก็ภาวนาให้นักลมหายใจเข้าใจออกไล่ใจเข้ า, ออขารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกถ้าญาติโยมที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำโนราณว่าพุทโธ ในใจเข้าในกว่เขาหายใจออกทั้งบรโตถ้าปฏิบัติใครปฏิบัติข้่องมาจากไหนก็ตามไม่ต้องเปลี่ยนธรรมฐานมีสภาพเหมือนกันที่ท่างการจิงสมาธิแต่ท่านพูดใดที่ได้มาโดยยุิให้ใช้กำลังข้าโนุนยิติตามอัติยาสัยเอาตอนนี้ไปหุนายญาติโยมพุทธวิสุดหลายตั้งใจสมาทานสิ่สมาทานธรรมฐาน ให้เยี่ยมไม่ได้ลูกฮะก็ะมาเขียน ม, มาอย่างนี้นี่ซียูก็ยู่ไม่อันเดียวกันเหรอซีซีเหมือนกันแล้วกันฮะโซีให้ใจใช่ไหม อ, อยูซีไอก็นออัดเปิดถัดซีก็เห็นอะไรเหมือนกันนะก็นะ อ, อย่างนี้เจ้าค่ะลูกหลานอยากจะทําบุญหรือจะทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนองคุณท่านให้หายโดยเร็วๆและสับลันขอคําแนะนําจากหลวงพ่อช่วยเมตตาแนะนําเพื่อ ไปการกระทันยูกตเวทีสักครั้งเถิเจ้าค้าหลวงลุงบอกให้ปล่อยปลาปล่อยปลาอะไรครับโอ้สาวนักแท้ลุงตอบทันทีโอ้อยู่<อ> ม, มานานแล้วอยู่ ม, มานานแล้วที่มมานานเสาตัวนี้ใช่ไหมฮะยังแดงเนี่ยชื่อเดียวยโ อ, โอแหมกลับไปนะว่าท่านที่จะกระทันยูกตเวทีท่านจะอลมเสริมกําลังป่วยป่วยขนาดนี้นะปล่อยปลานะ พรงค์ทานด้วยเปิดใจท่านนะปลอดภัยจะร่มเสร<ด><ด>่อมที่ข้าไม่ตายในห้าร้อยปีเจะอยู่ได้ห้าร้อยเยอะนะครับถ้าไม่ตายนะอ ม, มีมีวงเล็บเลยเหรอรใช่บแหมเป็นห่วงท่านไม่เป็นไ ร, รไม่เป็นไรครับก็ใหญ่ครานี้เขาเดอต่อไปไม่มีอรลุงพ่อเจ้าขาเมื่อเดือนที่แล้ว วันฉลองพระเจ้ากรมมหาราชวัดข่าทรงลูกจะมีโอกาสไปแล้วก็เวียนเพียนรอบจุฬามณีพร้อมด้วยลูกพระเจ้าพรมมหาราชในขณะเวียนเพียนนั้นปรากฏว่าน้ําตาของลูกไหลร้ลองไห้เอาไม่อยู่กระอึกกระอื่นเป็นอย่างมากทาั้งๆที่ตอนนั้นไม่ได้มีปีตรงปีติอะไรเลยแต่ก็ประหลาดใจอาการอย่างนี้ได้เกิดขึ้นลูกอยากจะเรียนถามลงพ่อว่า ในขณนะนั้นพระเจ้ากรมมหาราชท่านโศกเศร้าอะไรหรือทําให้ลูกต้องร้องไห้ตามท่านไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เดือปีติปีติเหรอครับเจ้าของไม่รู้ว่าปีติแต่ควยินดีปีติอ๋อไอ้ก<ห>ระอึดกรอึดน้ำหูน้ำตาไหลใช่ใช่ใช่<อ>ปีติปีติสองเองคนพร้อมเฟื่องฟ้าร่างกายไหลร่างกายโยกตัวอ๋อห<ด><ป>รือว่าเปน็นร่ารอบรุ่นเก่าด้วยกันอ๋อ แม่ใช่ใช่ชนาค่าศึกโมเดิร์นใช่ไา้กู้เชื้อชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะพระเจ้าคุณมหาราชเรื่องปอกเฟ้นเป็นต้นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ประเทศไทยเงี้ยไหมไม่ใช่ต้นแล้วเป็นอะไรต้นกษัตริย์ที่กว่ถึงพระเจ้าคุณมหาราชหกสิบตำแหน่งกว่าแล้วเสด็จกากว่าแต่ว่าไม่มีสงครามมันมีสงครามสมัยพระเจ้าพันกราช เขอาอดแอร์เกินไปใช่ไหมไ้ครับตอนนี้ขอมดำมันก็กําเริบที่จะยึดประเทศไลคนไทยโอ้ก็ไล่ไปอยู่ที่เมืองสีทองเมพิษตรงได้ในมสายได้ครับพระเจ้ารหมเกิดมาถึงยุคทสองปีก็สั่งพ่อบอกเรื่องส่งบรรยากาศเตรียมขุดบ่อน้ําเกรว่าท่าทางศึกมาล้อมเมืองใช่ไหมได้ก็ได้มีน้ําื่มเตรียมการรบเต็มที่และได้ช่าง กายกายมากขนขึ้นขึ้นนครับต่อไปพระก็จะคงก็สร้างบุญบารมีนักสร้างยงไงแหกเลงเลยปวดปวดเจ้าต่อสนทายขึ้นไปถึงเมืองเสียงแสงเข้าถึงเสียงแตีในเมืองโผล่มันหนีมาทุ่งยั้งองท้าว to uh ิ่งมาสามวันต้องสั่งยั้งให้กินข้าวยั้งตัวกินข้าวทีนึงโอพอกินข้าวทีนึงอิ่มแล้วไล่ตีต่อไปอีก แท่งมลบารมีมากโอ้เพราะนั้นฉันอายที่เป็นลูกศิษย์พระเจ้ากรมนี่้ป่วยมากเลยโอนี่หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์พระเจ้ากลมเหรอลูกศิษย์พระเจ้ามอ๋อเลยป่วยตามพระเจ้ากลหมไปเรื่อยใช่ไหใช่่อาศัยู้สึกก็แสดงว่าคนที่ร้องไห้นี่ก็คงคงจะหุ่นส่วนในสมัยนั้นไม่ต้องโหละหุ่นแง่แงที่้องโหรแล้วที่นั่งพระจ้าพระแฉเนี่ยก็แง่แงแง่อิ่หัเฟือกหัมันม่ไดยสา อดีก็ลอ่อกจาเมืองไม่มีข้าวจะกินอัวเผอกวันต้องทกระทาใหญ่ๆตีกันมีอะไรก็มาะสมกินกันแต่เขาเก็บสวยสงคงาต้องเลื่อนต้องทต้อสวยเขาถ้าเค้คือการในคนไ ท, าทายอยู่แค่ไหนแล้วล้เาเข้าเก็บเขาไม่ได้เพาถ้าอยู่ในเมืองพวกเรามันได้ผีไล่คันความเจ็บใจของเด็กจะมีอยู่ใช่หมครับเื่อพระากมราชเป็นแม่ทัพชารเายุแค่สิบกปี โอ้โหยังหนุ่มเปี้ยวเลยนะยังไม่ทันหนุ่มดีที่กวกยังไม่หนุ่มเหนือครับพี่แปเขาถึงหนุ่มอ๋อหนึ่งแปดอาให้เข้าล็อกก็ได้ <c oughs> แก็ดีเนะี่ยการตีเท่าเท่านั้นนะอ่ะดียังไงหลวงพ่อพอมาถึงสัจธรรมลายได้เมียเลยแม่แก้วแววพระเจ้าพระเจ้ากรมได้เมียเหรอครับได้เมียอ๋อ เขาตีเก่งในทั้งเมืองทั้งเมียเลยนะใช่ใช่ได้สองมอ๋อแต่ <c oughs> เจ้าชูน่าดูกันแต่เจ้ากลงหนูเลยไม่ใช่เจ้าชู้เ<อ>ขายกให้เองก็<อ>มีพระหรหัสต้อนเขาบอกว่าไม่เมื่อชึงศ ร, รีสัจจนาลัยรอบเมืองเขาไม่ยอให้ผ่านเศษเราจะไล่ขอมขอมมังก็วิ่งหนีไปใช่ไหมครับครับชิงศ ร, รีสัจนาลัยเขาตั้งทัพกันเลยไม่ยอมผ่านเศษก็ต้องรบกัน ในเมื่อกำลังของเรามากกว่าพ่อเมืองพเมืองต่างๆที่ทราบว่าเราไร่ความใช่ไหมครับครับเขามาคบในกำลังมากกว่าเขาเลยตั้งทหารรับเชิญเพื่อไม่ให้ออกมารบ<อ>แต่ว่าเขามีเปืนนกสัตว์ีเราสองร้อยก็บอกเราไม่มีแต่<อ>ทหารพ่อเมืองเข้าไปอาสาตีตายไปหลายคนเ<อ>จ้าของบริษัทไม่ต้องตีล้อมแบบนี้ให้เราข้าวเอง<อ>ยอมเองบ เป็นท oh ่าหลายวันเขาก็มีพระพธโชงหนึ่งท่านแต่หันมาพระหละฮะเป็นพระหันไม่ใช่ไม้ไผ่ยานท่านทราบว่าพระเจ้าพก็ลูกสาวพระเจ้าเมืองนี่เป็นผู้ครองมันไม่ใช่ก่อน้ปบอกให้เจ้าเมืองยกลูกสาวพระเจ้าพรเสียเสนือสงครามเขาก็ยกให้พอยกให้แล้วพระพรหมได้สองมอเจ้ามอเดียวใช่ไหมครับครับไม่ได้เจาเมืองไม่ได้มอเมียด้วย เรได้ได้มอเมืองด้วอ่ว่าได้ต้งสองมอเหรอได้สองมอโอพอเขาให้มอเมียแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตีกันเลยแล้วก็ได้มอเมืองด้วยโอ้ยตีทำไมยากยากแล้วแล้วชื่อชื่อของมอมอที่สองนันชื่ออะไรครับปฐุมวดีปทุมมวดีนะโอ้ยไม่ใช่ปทุมมันจำได้แต่ตอนนั้นเฉันไปทหารเร็วเดยอะเร็วอยู่แถวหน้าอยู่เสาหลังนะเร็วแถวคอช้างก นี่คงจะเป็นอัิสมตอนนั้นแต่ได้ปวดจะตอนนี้นะมันไม่มแค่นั้นอย่างเดียวไม่หลายชาติเขายอมีอีกเหรอขเข้าไปตีอีกไอการสงครามในฆ่าสัตว์กี่ตัวอเห็นไหมต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าเปรย์ฆ่าไก่เลี้ยงทหารนี่ยมันเยอะแยะอไอบาปเนี่ยมันมันมันเต็มอัตราของฉันเนี่ยแต่ช่างช่างไม่ได้แล้วโอแต่ก็เอาแค่นี้กับบนตัวแล้ว เอาแค่นี้มึงเอาไปหะกูหนีชาตินี่โอ้นี้เล่นหลอกคนเลยเหรอเนี่ยไม่หลบหนีเยอะเลยอ๋อกล่าว่ก็ลูกหลานคนจะภูมิใจนะใช่นี่จะเอาไปก็เอาไปนเนียถูกก้องล้มละลายแล้วโอ้สิ้เนื้อปัญหาทั้นั้นใช่ใช่โอ้ย้อนใช้ก็เอาเฟืองให้เรืองสลิงให้สลิงเช่องมันอ๋อเจ็บค้าจถป่วยก็ทั้ง ใช่ตัวรู้อยู่ตานยถากรมตายานในเมื่อเราใช้ถากรมตายานเราจะทราบทันทีว่าป่วยไข้อ้ายเรื่องมันเกิดเพาะอะไรเป็นเหตุภายหลังเราโยกปับอ้อเราทำเขาอย่างนี้ในเวลานี้เรารีโทษแต่นี้นี่เราฆ่าเขานะนับพันนะชุดนั้นนะแล้วเราก็แค่ป่วยไม่ถึงตาย ถ้าต่อมาก็เกิดอีกหลายชาติแยบแยบเข้ามาหลายชาติก็จะมาถึงตอนเนี้ด่ทุกชาติแล้วสร้างบุญบามีด่ทุกชาติอถ้าจะถ้าจะลับจานวนคนที่ตายไปสักเลยแสนหน้าเรามาชาติสุดท้ายไม่ป่วยหนักขนาดนี้ไม่ใช่นาคที่่วยเบานี่ยังเบาเลยเนี่ยไปถึงตายอย่างแข็งอย่างใจแข็งนะ งั้นสําหรัลูกหลานใครเจ็บไข้ในป่วยนะพอเนื่กว่าตัวเองลําบากแนละ้วให้ดูลุงพ่อเป็นตัวอย่างนะก็ถ้าเจ็บไข้ในป่วยก็ต้องคิดว่าเราฆ่าขอมกันมามากเราฆ่าศัตรูเพื่อเป็นคนไทยกันเองก็มีมากทีแข่งเมืองเราฆ่าพม่ากก็มามากมันทวงแค่นี้ช่างมันตะวั น, นิพานดีกว่าครับครับตกลงก็ไปนิพายธรรมนี้รุ่นหลังพระบินบาบ ก, กับพุ้งไมมีใครใส่บาตรใครที่ฝ่ากันหมด เไปนวลก้อนีก่อนไม่ใช่แหววไาแขวนก็ได้อ้าวในรู้ในายษากัมตายานนะพวกเราเคยทำกาไว้หลวงพ่อเจ้าสาคือว่าลูกตั้งใจว่าวันเป่ายันกรอบเพ้โตรงกับเสาห้าที่วัดพระทรงลูกจะทำพิธีขึ้นบานใหม่แล้วก็จะนิมนต์กายทช่ขอหลวงพ่อมาทำพิธีเปิดป้าย ไม่ทราบคก็วันไอ้วันเสาร์นี่เขาไม่ขึ้นบันใหม่ตรอห้านะต้อห้าเหรอครับอย่านะมันเป็นวันแข็ง<อ>เขาไม่ทำงานมงคนในประเทนี่นะําได้การตกเสกก็<อ> เ, <อ>เรื่อเล<อ>ย<ๆ>ว่าอาทิตย์หรือวันศุกร์ก็ได้ดิเอาเอาเอาสักก่อนมาวันนึงก็ได้ใช่ใช่ใช่ อ, อย่าไปทำไม่ดีนะนี่ไอ้จะเขาใจปิดนอะวันแข่งแงเวลา เปิดบ้านจะได้บ้านเาใช้ใช้บก็ปากแข็งตังโตทะเลาะกันเรื่อยโอโทษฉันไม่ได้ประเภทเช้าตกเย็นตับนะใช่ๆงานตกลงให้เปลี่ยนวันศุกร์ง่ายๆเอาเสาห้าที่จะเดือดร้อนสามเ้าวังสุกระก็ตกซะ่ไปไม่ทาไดีหรือหลวงพ่อเจ้าขาในขณะที่ลูกเจริญพระกรรมฐานเดี๋ยวก่อนวันนั้นเอาวันจันทร์จะดี วันจันทร์แหะครับ okay, อ๋อวันจันทร์ชื่อชื่อชื่อชื่อป๋อมเนะคนชื่อป๋อมนะจำนะเอาวันจันทร์นะราบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอคือว่าลูกนอนหลับกลางวันแต่พอตื่นขึ้นมาลูกก็จะเริ่นภาวนาต่อจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าอะไรก็ไม่เชิงคือว่าอย่างนี้ เห็นท่านหมอชีวกโกมาลพัดเป็นนิมิตออ้ยเขคเรกนิมิตนะใช่ใช่ใชไม่ใช่ันนะค<ช>ืนนะอ<ต>ขัอ่าครับพระบาอ๋อท่านมาแนะนำว่าขอให้ลูกขอให้ลูกอย่าเดือดร้อนต่อไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ขอบา ร, รมีหลวงพ่อวัดข้าวทรงไว้เป็นที่พึ่งทุกอย่างจะเรียบร้อย เพราะวัดท่าซุงมีบารมีมากลูกเห็นว่าหลวงพ่อไม่สบายไม่อยากรบกวนแต่สองสัมวันนี้ไม่ค่อยดีเลยขอสักครั้งเถอดเจ้าค่ะนี่ไม่รบกวนในหลวงพ่อนะจริงเขาไม่ได้รบกวนก็ขอโอ้สะล้งเดียวนะแล้วต่อไปจะสะล้างแบบอาหารจานเดียวเหรอสัดหลายครั้งนะฮะจ้า อีกเจ้าหนึ่งนี่ก็มาตั้แส่กลางวันไม่ทันเพราะว่าหมดเวลาเรียนถามหลวงพ่ อ, อนิดเดียวตรงที่ว่าคือว่าหนูได้ซื้อที่ดินแต่เพื่อญที่ดินแปลงนี้มีสารสกปรกเดิมอยู่เอจะเอาออกก็ไม่สบายใจจะไม่เอาออกก็ไม่ได้เพราะว่าจะต้องปรับปรุงใหม่เรียนถามหลวงพ่อว่าลูกควรจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดโทษทั้งสองฝ่ายจะผ่านนี่ฉันรู้แล้วแต่แต่ขงบุรู้แล้วเหรอรับเนี่ย ดูแล้มื่คมอคุณเขมาคุยกับรท่านท่านท่านทรงตัดว่าไงท่านท่านบอกว่าจะ ย, าย้ายก็ได้คุดทูตบอกก่อนให้บอกท่านเอกสิพันธ์นะเขเรื่องกันขอท่านเอกสิพันนะใช่ใชใไม่เป็นไรใชัใช่ก็ที่ลูกศิษยกศเมื่อจงวนจำได้เสมออ่านไปหาาลวงพ่อเจ้าขาเชื่อว่าลูก ปกติไม่เคยฝันเลยแต่เพื่อเมื่อเร็วๆนี้ฝันนิดเดียวตัวหลวงปู่ปานเนี่ยท่านมาหาลูกท่านเอามือชี้ตะหม่อมลูกแล้วเป่าภาษาลงบนศีรษะลูกมีความรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมากแต่ที่จะเรียนถามก็คือว่าลูกควรจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ชอบอกชอบใจของหลวงปูต่ต่อไปเจ้าค่ะให้ที่ทําักดีแล้ว<อ>ทำตามเดิมไม่งั้นท่านไม่มาสงเคราะหะ์หรอก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 เห็นช้างสีทองตัวใหญ่ตรงเครื่องแกล้วฟาวขาวเป็นประกายพลึกมาที่หน้าบ้านของลูกแล้วลูกก็บอกว่าพี่ช้างจาจะเพิ่งไปนะรอลูกก่อนแต่ว่าช้างก็ไม่ยอมหันหันหน้าแล้วออกไปเลยลูกเป็นห่วงช้างคิดถึงช้างตัว น, นั้นเป็นอย่างมา ก, กอยากจะเรียนถามว่าจะปฏิบัติธรรมะแบบไหนจึงจะเป็นที่ถูกใจช้างเจ้าพ่อเอาเลยพี่เขาใจดกเล่มใหม่มาแล้ว ปฏิบัติตามเดิมอ๋อไอ้ที่จิตมันวิ่งไปใคาจะเป็นลมนะเพราะว่าทำทีแรกลมหยาบการเจริญกรรมฐานกันลมหยาบหายใจแรงๆทั้งห้าครั้งยาวๆโอ้ลึกๆตัว น, น, น, นะหันนะโอ้จระบายลมหยาบไ ป, ปการยังจะไม่ตรากดีแต่ก็เป็นชาญอะไรไอจิตเป็นชาญแล้วนะ ช, ชาญช้าง นี่จะเกิดตายก็ผมก็เป็นข้อพิพาทช้างไปเลยนะครับพออึดอัดอึดอัดนี่เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจยังยาบไปนะคราบปน่าปลาหยาบไปเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องแก้ไขให้ใจสกต่อไปราฟ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้ซื้อบ้านจัดสรรเมื่อปี30ก็ปรากฏว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้แล้วเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเช่นทะเลาะบอกแว้งเจ็บไข้ได้ป่วย โง่ลาบทำไมคนจะมีอะไรอะไรส่วนไม่ควรจะดีไปทุกอย่างไปหาหมอหลายคนว่ากันไปต่างๆนา น, นานลูกพึ่งหลวงพ่อดีกว่าเพราะยังไงยังไงหลวงพ่อก็เมตตาลูกอยู่แล้วเออเจมี่หรือเอออะไรบ้านถวายวัดกระซุงจ้าผมเป็นอาว่าแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเอาว้านถวายวัดเหรอไใช่ใชแล้วปัญหาหมดไหมหมดที่จะไปอยูอ่กระต๊อบไม่รูเ้เรื่องหมดเล่าไปเลย่ะ ก็เอานี้สิอยากให้เขาหลวงพ่อครับให้หาพระเอกีพัเาไปดูเขาจะเจรจาเทวดาที่นั่นได้นะครับคนนี้พูดกับเทวดาได้อ๋อชี่ว่าพระเพชื่อเล่นชื่อแดงเนี่ยเหรอกอคนนี้มีความถนัดในเรื่องนี้นะถนัดมากเอาละต่อไปพี่แดงเนอต่อเทวดามันได้เลยสามสิบปีแล้วคนนี้เหรอใช่โอนโมีอยงนี้กตั้งสารเสริมพระภูมิภุมอะไรก็ได้หมดตั้งไม่ได้แต่เชิญได้ อาไค่อันเดียวก็เลือตั้งกระทรวงตั้งมันต้องตั้งเ ส, สาหุดหลุมพวกคุณเลยอคนแก่แล้วเ <c> ด <oughs> <c oughs> ือดให้ตั้งศาลเวลาซื้อก็ซื้อถ้าเป็นเกินไปเลยไม่ใช่ซื้อพูดตามภาษาไทยค <c> ร <oughs> ับครั บ, บดีแล้วนะเราได้ลูกหลวงพ่อเป็นที่รักใครเกี่ยวกับเรื่องศาลพระภูมิสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็เชิญไปตั้งได้ไม่เสียตังค์ครับแสนเจ็ด ไว้ก่อกงกระตังเนี่ยไม่ต้องจ่ายแต่คนนี้เด็ดขาดให้แต่แบงค์พอแล้วโอ้สันโดดตรงนหนาดนั้นจช่ใช่ใช่่ชชมัดน้อยโดดกระตั <c oughs> งไม่เอาแต่แบงค์นะฮะอ่าหลวงพ่อก็รับแล้วผมฝึกพโนโมยิธิได้แล้วมีความศรัทธาอยากจะบวชที่วัดท่าสุ่งสักเจ็ดวันแต่นี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าบวชแค่ชั่วคราวเจ็ดวันหลวงพ่อจะเมตตา อนุญาตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไระไม่สัมพันธ์กันแต่เวลาไปเปน็นนาต้องเปน็นนาสอยนะคิดว่าทักงเนี่ยเหรอใช่้ามระเบียบของไม่สอนถึงแม้ว่าจะได้แล้วก็ต้องซ่อมกัมาาสอนแล้วาระเบียบของไม่สอนแค่วันเดียวต้างสสารระเบียบเหมือนกันอาระเบียบจะโผเพลไว้บวจะไม่ไมีทางว่าจะเสร็จเอเงินให้แล้วสิบล้านก็ยังไม่รับเลยสิล้านน้องเขาไม่เอาเหรอยี่สิบยังไม่เอา ตรงนี้เขเยกเเียกวมัดน้อยกันโดษนไม่ใช่ระเบียบ<อ>เขาเริ่มจากพระเจ้าต่อไปเบยบเขาว่าติตญาปริวาสอย่างนึงนะติติาปนิวาสที่ท่านมาอยู่สามเดือในให้ไปถึงสมาธิปัญญาถ้ายังเอาดีไม่ได้ให้อยู่สามเดือนถ้ายังเาดีไม่ได้อยู่สมเดือนแล้วสามเดือนสามนงเก้าเดือนไม่ได้ห้ามหมดเลย ท่าน <Five> ี <ừ> ้เราใช้วิธีรักให้สศึรมโนยิธิครับคมาที่ปัญญาสำคัญตรงนี้นะครับถ้าได้มโนยิธิแล้วก็ยอมปฏิบัติตามเดียวของวัดได้เป็นอย่างไรเนี่ยติ้งต่างสมมติว่าจำเหมาให้หลวงพ่อนี่สักคิดราคาสักเท่าไหร่สักบนนึงสิบแสนก็พอโอ้โหนี่ขนาดสันโดดนะสันโดดที่ยังไม่ท้งสิล้านนะบุดี่ อย่างนี้ก็มาเรียกถูกงบประมาณก็ไปไม่ได้แน่ที่วัดนี้นะไปได้ไปไ ด, ไปได้แะครับแต่ถึงจริาางราคาไม่แพงอ๋อเพราะเสียฐานดทางเลยแบ<ย>บที่จริงที่วัดท่าสุขก็ไม่ตาอยู่แล้วนะทาตามระเบียบดีไม่ดีหลวงพ่ออาจจะออกให้ฟรีใช่ออกฟรีได้จ่ายเช็คมาก่อนเพววื่อความมั่นใจในการบวชนี่นะใช่เรียกก่อน ที่เล็บก็ไม่ให้กระเด็นใช่ไหมครับเอางี้คนคนถามไม่มีเมียอะไรเปล่าคนถามอย่าแน้ละครับเดี๋ยวผมนั่งทางในดูก่อนโอ้เลยมือแบบเนี้ยต้องผ่านแงงแงะไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็เวลาเมียเขา่อนนะให้อนุญาตอถ้าเมียไม่อนุญาตเด็กชายถูกทอดโอ้โหนี่อย่าพูดอย่างนี้นะต่อไปุด็กายบวชยากเดี๋ยวเมียไม่ให้ทีพอถ้าเมียไม่อนุญาตที่บวชไม่ได้เลยเลยถูกทอด บวชได้เจ้าชายสกขก็จะมีเรื่องโอย่างนี้ก็จะปลอมลายเซ็นเมียบอกว่าอดูยากที่แลวเขาไม่ยอมเอาะไรเซ็นกตัวเป็นเลยโอ้ลุงนี้ไม่มีเมียก็ก็ดีบวชยากจังเราก็เมื่อเลิกมีเมียมีแต่พัญญาสิที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะข่าวดีนะบวชว่าพระสุรุนจะได้ประโยชน์มาก อาหลวงพ่อจอะอาบวชดีเลยนี่บวชชีเมื่กี้บวชพระนะหลวงพ่อเจ้ะฝาคือว่าลกูกลูกบวชชีอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเพระเอิญมีความจำเป็นในภาษาไตรมาสสามเดือนอยู่ที่วัดไม่ได้จําเป็นจะต้องมาเฝ้าบ้านเพราะว่ามีหลานตัวเล็กๆอยู่แต่ว่าการเฝ้าบ้านนี้พ่อวัดปฏิบัติกรรมฐานลูกถอดแบบหลวงพ่อเพลียทุกประการแต่ไม่ทราบว่าจะมีพระลาอานิสงส์เหมือนกับอยู่ที่วัดหรือเปล่าไม่มีอะไรทีเขาไม่ห้างหรือบ้ายเขาได้ เขาชีอยู่บ้านได้ได้อธิบายเจราฐานให้เช่อมคล้ยกันแล้วกันมาเรื่อยมีสิ่งจะมาที่พยาทรงโทใช้ได้เลยถ้าบทประเภทนี้มันก็ผิดประเภทเหมือนกันทำไมถ้าผิดอย่ไงหลวงพ่อครับมันต้องถ้าบทที่ว่าตาทรงต้องบทในเพลงอลวงพ่อคือบระคนนี่มีความจำเป็นอย่างกรลดลาวาสอไอพื้นรลไม่ได้ไม่ได้ต้องบทในเพลง เราก็นอยู่กรุงเทพไกลๆนี่ไงก่อจะไปกล้วยอะไรก็บอกมาโอ้ปปโหคกแวเลยพี่โอ๋อกลายเป็นกล้วยบวทชีกล้วยงั้นเหรอนี่นี่นี่เลยแพนแล้วนะ <c ười> ยังมีอารมณ์ยังมีอารมณ์ใ <c ười> ่ดี <c ười> ๋ยนห่ดีแล้เออไม่อ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะอ่านอน ครับหลวงพ่อเจ้าขาอนีตเื่องสมาธิลูกอยากจะาเรียนถามเกี่ยวเรื่องสมาธิเล็กน้อยถือว่าอย่างนี้เจ้าขาสมาธิของลูกนี่จะได้แค่ประมาณสองสามนาทีหลังจากนั้นไปอารณ์จะฟุ้งแล้วก็ทุกวันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ไม่สามารถจะแก้ได้จึงขอกราบมีหลวงพ่อช่วยแก้เพื่อการปฏิวัติของลูกให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่ อ, อไปด้วยเถิดเจ้าค่ะพอแล้วสองนาทีพอแล้วสองนาทีเนี่ยเหรออย่าลืมนะวันละสองนาทีถ้าสิบวันเท่าไหร่พอดีสิบวันทีร้อยปีเท่าไหร่โอเอาอย่างนี้เหรอใช่คือที่ที่สมมาที่สมตัวจากนาต า, าลุสื พ, พสิบป้อ สุดลงหายใจก็ออกหาใจเข้าหาใจออกนับเป็นหนึ่งถึงสิบใช่ไหมครัครับตั้งใจคิดว่าถ้ายังไม่ถึง 40, right, สิบจิตมันบอกว่านะเริ่ Lights มต้นใหม่เอาให้สุดสิตให้ได้มีดีสุดตอนนี้นะครับครับก็รวมความว่าแม้สองนาทีสามนาทีก็ใช้ได้แล้วนะก็ใช้ได้อยู่แล้วอ่าเรียกว่าดีแล้วลราดีพระพุทธเจ้าสงสัยราใช้ที่หมดจิตประจับเลย ก็สารีบุตรดูก่อรสารีบุตรบุคคลใดทำจิตให้ว่างจากกิเลสวัดหนึ่งช่วงขณะจิตหนึ่งถ้าถานโค ข, อข้อกล่าวว่าบุคคลนั้นมีจิตได้ว่างจากฌานอสองนาทีนี้มันว่างจากกิเลสนะใช้ได้ใช้ได้นะฮะสองสามนาทีเป็นเาลาใช้ได้โอ้ี่อ่านไม่ทันเาภเท้าหลวงพ่อที่เสรพย่างสูงลูกอ่านธรรมวิโมก เมื่อเดือนกรกฎาหน้าห้าสิบสี่โหนี่อ้างหน้ามาเลยนะยังที่เราฉัน ไ, ไม่ไอ่านเลยอ้าวหนังสือที่ออกจากวัดเราคุณไม่ได้อ่านเลยเหรอไม่อ่านมีเวลาอ่านขาดครับเพรแสดงหลวงพ่อโชคดีมาไปอ่านธรรมวิโมกโดยกรกฎาหน้าห้าสิบสี่ว่าด้วยปะฏิสัมพิทาสีอะไรวิโมกเป่าพิญญาหกจึงสงสัยว่าวิ จึงสงสัยว่าคนที่จะอะไรบรรลุสามอย่างดังที่หลวงพ่อว่านั้นสมมติว่าจะทำบุญเอาในชาตินี้ลุ้นร้วนและอธิษฐานว่าเจ้าพระคูณถ้าฉันเป็นลาหันมมลายขอให้ได้ปฏิสัมพิธาสี่วิโมก8แปดอภิญยาหกอธิษฐานอย่างนี้จะมีความสำเร็จในชาติปัจจุบันได้หรือไม่เจ้าคะสำเร็จสำเร็จเหรครับหลวงพ่อช่สเร็จนะครั ทำได้ไปฏิธาโอ้ <c oughs> ลงทุนแทบตายนึกว่าจะสมความปรารถนาจะไปทำทำไมแค่ก็คุณพ่อโลดิที่ให้ดีแล้ ว, วาออยากยากความจริงแค่ขึ้นปฏิภานได้นี่ก็มันเหลือแหละแล้วจุดเป็นจุดหมายปทางแล้วเนี่ยอยากได้ไปเสวิตชาญอยากได้ไปทำไม สงสัยจะไปดูเรืมีความหมายเลยแค่นิพานอะไรๆก็แค่นิพานใหญ่สุดสูงสุดเรียกว่าสบายที่สุดก็คือนิพานใช่ใช่ใออย่างนี้ก็ไม่ต้องไปเอาแล้วไม่ได้ยังมีคนฉลาดแบบนี้เลยครับขอร้องโง่ต่อไปขอความโง่จนเจริญมาเลยเลยลงเลยหลวงพ่อจะถามลูกสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเออในที่พระสอนว่า ผู้ที่จะเป็นเทวดาได้ต้องประกอบด้วยเฮลีโอตฝ่าอายทั่วโัรบาปแล้วก็มาสงสัยตอนที่พยามาลาที่ลาดไปแกล้งพระพุทธเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการคนที่จะแกล้งได้นั้นต้องมีอารมณ์โกรธติตฉานิสยาพยาบาทไม่น่าจะเป็นเทวดาได้เลยเรื่องนี้ลูกสงสัยมานานแล้วขอความสว่างจันทเข้าใจผ<ะ>ิดอ้าวแม้นี่เขาสอนก็นมานานแล้วเปนยังไงกันแน่นะให้สอนก็สักพระ ยกชงก็เคยสอนนะสารภาพบาปเลยโารกอยู่นี่เองครับมาอวยพรกันต่อหน้าต่อตาเลยเหรอวยพรอะไรแบบนี้ด้วยอครับโฆษณาที่ให้พรต่อหน้าเนี่ยเรื่องนี้็พระเทวดาท่านท่านอะไรท่านเท่ามาลายนี่เนี่ยมารัที่าดเนี่ยม้าลัดที่ราชชื่อเดิมที่เท่ามาลายขอมาลายควมท่านไม่ได้โกรธอะแล้วคั อีกแกล้งแนะไม่ได้โกรธแต่ความจริงหน้ามาเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าพยายามมาลาที่ลาภใช่ไหมในสมัยพระเจ้ภูมิเราเป็นเพื่อนกันอ๋อแล้วครับต่อมาในเมื่อบรรูุปฏิเสธสมาธิโมทิยานแล้วใช่ไหมครับครับถ้คิดว่าในเมื่อพระเจ้าบรรลุปฏิเสธสมมาธิโมทิยานแล้วจะสอนคนปฏิพันธ์หมดเวลาที่ตัวเองปฏิพันธ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าจะหารูกสิษย์ไม่ได้โมฆะเต่าตอนฟันเท่าจอบแทงเต่า โซน่ามาแล้วรล่ดีมาแล้วเหรอครับมาวผมไม่ได้พูดนะคนอื่นเขาพูดนะอ๋อเยนีลาแล้ว่ะไม่เอาแล้วเรอพร้คุะแทนวะมาแล้วเลิอีโอีตอนนั้นเรกแหมกลัวเกลัวจกลัวจะไม่ได้เป็นเราผู้ศราเขาจะไม่มีลูกศิษยใช่จะไม่มีูกศิอ๋ออนี้มองไปมงมาเหลือแหล่ไหววยตกลงเลยลาแล้วลาแล้วอ่าเยนี้ก็ไม่เกเรสิเป็นคนดีนะเอาจริง การช่วยนะมันไยในตถานใน้การช่วยนะท่านาพญามาราธิราช่หใ่ใช่การอ้หาว่าเราย่าเรียกพญามาราธิราชต้องต้องเรียกไงคาพ่อเรียกพญามาราธิราชนนทแกล้งเไท่ามาลาอก็มาลยนะเที่ยวนี้เี่ยที่เที่ยวเที่ยวเทาบันไลไม่ได้ดีไม่ดีเอาหนักเก่ามาเลยอต้องเร็ดท้ามาลายนะ เอาละงวดนี้พอจะอาศัยได้แล้วพอท้ามาไหลแต่ทาไมออกมากัก็เป็นนักจังทุกขั่างน่าตาเถวนนะอ้าวเป็นอันว่าที่สอนกันนะผิดนะฮะผิดขอได้โปรดโปรดทำความเข้าใจสมัยโนักเทศก็จะโวยวายไปที่เสมอผอ่านหนังสือแล้วไม่คิดพระเทวดาได้โปดไว้ได้แต่โปดต้องจุดติ นั่ น, นแหะเสกเอไม่จาแล้วหลวงพ่อไอ้พี่ก็บอกว่าอะไรยกฝนคนไปให้ยุบเสนาไ ม, ม่มีมีมอดมีช้างมีอะไ ร, ะไรนั่นแหะเนป็นสมมติอ่าแล้วคันเวลาเขามาถามเ่เขาไม่ได้เปยกฝนผนไปยุบเนาแล้วมาคนเดียวแล้วแค่สองลูกสาวว่าสามคนถา้าเป็นฉันเรียบรอยอ้อยเอไปต้องไปกันแล้วนะโอ้กไปไปแค่นี้ แล้วต่อมาถ้าเป็นหลักตาถ้าเป็ยเริมตาในตอนที่ย ก, กําลังมาเม่ยมัถึงยกําลังใหญ่ไปถึงมาคนเดียวมักิด ข, ข้างๆเริมตาเถอะอย่าไปไหนเลยเป็นรรลุเป็เสพเพื่ออะไรเป็นพระเจ้าจังพระธี่ปลาพระเจ้าทำไมสนใจเเริมตามาบกวาเป็มะดูก่อน ม, มันเป็นแบบไปกันนะจะยุ่งกาคน จ, จริงๆแล้วแค่นี้เองนะแค่นี้นเองโอ้โหต้องเขียนภาพหน้าตัววาาเสียวใช่ๆเจ้สสาไอ้นั่นเป็นภาพสมรู้ดมาอ๋อครับๆับเอานั้นว่าสว่างกระจ่างใจมนแล้วตอนนี้ไฟเราจะเป็นมิ ก, กระท่าสมาลัยขอพ่อท้าวมาลัยจะช่วยยกทรงได้เถิดแต่พุทธเจ้าข้าเยอะน้อยสมบองตัวอผมไม่เคยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโลภแล้วครับเรื่องหวย ท่านมีอารมณขันดีนะองนี้อแหละครับมิ้ก็ท่านชอบกันอ๋อชอบทะเลาอกันอะไรขันแต่ชอบทะเลาะกันมีคราวหนึ่งใช่ไหมครับเรานอกเวลาไม่ไม่เป็นไรเขาลูกไล่ตั้งเทไปแค่สาสนาทีก็เจงนะคือวันหนึ่งตอนสี่โมงเช้าว่างใครไปใครมาก็ไม่มีเห็นถึงสี่โมงเช้ามีสมาก็หลบกลอนมามาตูนากู เที่ยวไปเที่ยวมานะเอ๊ะฉันจาตัมารา่าจึงไม่เคยไปเลยวะก็ <ขอ S 2> ไปหาท้าทศรถท้าทศรสก็รสดจริงๆทำไมเนี่ยมีแต่กางเกงไม่มีเสื้อถามมานิดจังนิดจ่าจ่าไม่นี่เทวดาทําไมนั่งไม่มีเสื้อเจ้าดาไม่ใส่เขาถามมันมัมนจําเป็นไหมก็ออคุยไปคนมาไปดูร่รองมาเยอะ เราไม่ใช่บอเอ้ยเพื่อนเ่ามาแล้วโอ้ยเสียงเกียวเจีวเจยวเจีที่เคยอยู่ชั้นั้นมาก่อนอ๋อเคยมาแล้วอ๋ออดีตเคยอยู่มาก่อนเยเคยอยู่ทั้นต้นท่านใ้ทเหนืออ๋อเคใหญ่มาก่อนที่ต่อไปก็ชวนกันยกทัพไปหาท้าวรืนหกก็ไปกันหมดแตถึงท่าเรือหกก็ชวนไปหาท่าเรือปากก็ไปกันหมดแตถึงท้าเวชบดิคราวนี้ผูยักษ์มาไม่ต้องห่วเสียงไม่ถึฟังไม่ได้เลยเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่นเก่ามาแล้ว ถามทาไปุกวันว่าเวลานี้เทวด า, ามาหมดไหปกเลอยลอไดผมมาเวด า, าไ ม, มาโอ้โหแล้วต่อไปก็พาไปหายโยมยาตุร่าทั้งหมดยกทัพไป <c oughs> ทั้ทงหมดเขาบอกวันนี้จะยกใคไปเนี่ยพวกมากันเต็มตาเลยนะาไปคุยยพัก basket, ก็ชวนท่านไปช้นยามาเดาริก็ไปหมดกะถึ <c oughs> งยามาก็โยมมุชัยนี่ในคนนะ <c oughs> ท่ารกเป็นท่านนท่านเป็น เขาหน้าอยู่ที่นั่นพ อ, อ, อคุณเราเสร็จก็ชวนฉันดูสิใหนยามาก็ไปหมดไปหมดถูกใัพอถึงฉันดูสิเสียบร้อยแล้วคุณก็ทนดีาหาพ่อปานหาพ่อีอานดีไมครับครับเร็รอยแล้วแต่ชันนี้ท้าไม่ไปด้วยอาวท่านผู้ใหญ่ก็ไปชันนี้มาจวดี ถึงเค่นีมารดีแลาวต่อไปแค่แบบนี้ท่านทำม า, มาลายนพ oh. อไปถึงปับ๊บตันงท้ามาลายก็มาเยืนๆขอบอ น, นีรก็เป็นรูนเป็นกะแพงกันนะรู้กันหน่าอ่ะทูบอกที่ม้ว์ครับี่ม้วนครั บ, บเขาบานผม <That. S 2> บอก ด, ดูข้างหลังเป็นลานนะบ้าน <That. S 2> าดนันใหญ่เท่าไหนรู้ไหมเท่าเท่าสามพันปูนที่โถทัอาาถาถาว่าที่เทวดา กี่ล้านคนนี่ยเข้าบ้านอันเต็มเลยบ้านเดียพอเลยเขาบอกบ้านเทวดายืดได้โอโห <ession> ม, ม, มลูกโป่งนะใช่พอเข้าไปยิงนั่งห้องแล้วแผลไม่ถึงขึ้นห้องเลยไปเป็นล้าแต่นั่งไม่ถึงขึ้นห้องวิมานมัใหญ่ขึ้มนมานท่านหลองเราถ้าคุยกันไปคุยมาถามว่าเวลาเนี้ยยังอยากเป็นพุทธเจ้าไหมเขาบอกลาจงแล้วตอดาแล้ว ถามว่าก่อนจะลาแล้วทำไมเสียแกล้งพรธเจ้าอีตอนนั้นเป็นโง่อย่พวกนั้นเลยอ๋อ oh. เขากงว่าจะไม่มีคนสอนเวลานี้ไม่เอาไปอาหรนี่กว่าอ๋อถ oh. ้าถามว่าถ้าอย่างนั้นมันล า, นล า, า, าเวล า, า, า, า, าท่านพระบรมาเจดามฐานท่านเสีแกล้งช่วยเดี๋ย้ช่วยช่วย ไ, ไแส oh. ช่วยแล้ว เท่าเดียวกันครับครบครับเป็นว่าเวลาหมดเปนัานแล้วขอยุติตรเพื่อนเท่านี้นะครับเพาได้เป็น่นีง่ไม่มีท้องบาทไม่าตองลนไปพืนึพื่อเพื่อนกบออุบลก็มีด้วยประกาศละศรีนะฮะครับนี้ก็ต่ออ้าวทีนี้ก็เมื่อจบตอนนี้แล้วก็ขึ้นต่อนม่ก่อนินน้ำก่อนอ่าครับไม่เป็นไรเอ่อก่อนก่อนจะต่อก็บอกนิดนึงว่าคืนวันที่สิดนะ ที่เป็ตสิงหาเนี่ยนะหลวงพ่อมาที่ซอยสายลมเมตตาหลวพ่อลูกหลายโลกไบนี่น่าจะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนฟังก็ทํานลึเลยกลับไปถึงบ้านไปตรงเนี้ยกลับถบ้านแถวไเลยกบสมรมศากตร์หลวงพ่อเอขรพบอย่างสูงประพรมวิชโชอารมณ์อจจา์ใหญ่พระไม่ใช่จา์ใหญ่อาจารย์โรงเรียน ได้ทำพิธีดังต่อไปนี้ปล่อยปลาช่อนสี่ิบปลาดุกสีสามปลาหลสิบหกตัวรวมทั้งหมดเก้าก้าตัวเป็นเงินหกร้อยี่สิบาทเหลือเงินอีก 200, สองร้อยถวายหลวงพ่ออีกห้าสิบรวมปล่อยอีกขอทิศเจาะจงถวายหลวงพ่อขอหลวงพ่อจงมทนาด้วยเถิดขอโมโนนานนะขอท่านูุตรจเจริญ่งมีแต่ความสุ ข, ขังเจริญปราสนาสมหังทุกอย่างนะ หายใจออกเสียงก็เยอะตอแต่ไปรอดือกป่าวันไปรอดจนทั้งทะมั น, นยังไม่ได้ไปดิไม่ <c oughs> ้ไ <c oughs> ยไม่ใชจาอใจตอบนะไปรอดแต่เขาให้ไปนะ <c oughs> ใช่ใช่ครับไปเไปมีตะคนให้ตังกันใหญ่เอาเดี๋ยวอเออดีมากดีมากดี ม, ดมพูดเปเงินเป็นทอง <c oughs> อเอออะล่ะ อ๋อ <AL> เป็นนาทองเหรอใช่ใช่ฟังเสือไปตวงเปนตัวทองผมแค่เพีย <laughs> <laughs> กำลังลาบจะมาตั้งแต่ได้พระศรีวลีใหม่ทุก ส, สยจะลาบมาแลวยกทรงนี่ไมกล้าบอกใครอเมรล่าของล่าอะเอาเริ่มเวลาใหม่นะร <c oughs> เริ่มเวลาใหม่ใหม่ใหม่เปลงเป้งสามทุกมบุตีสามทุ่มบุตีแล้วผมก็กลัวลืมกัน กราบสมรสการประเดชพระคหลวงพ่อที่รบอย่างสูงโอ้โหนี่ไล่ยาวมาหน้ากระดาษเลยเอาย่อเลยว่าคุณหมอสศสียนธนทัยหรือศีษนะชัยกัม้เขาบอกว่าอย่างนี้กระบาผมนี่ตั้งใจเป็นอย่างแรงกล้าจะปูอินออดวิหารวิหารแล้วก็บริเวณโบสถ์วัดพระสุนทรทารามจะซื้อหลอดไฟถวายวัดถวายโรงเรียนโรงรบาล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 ถ้าขอต้องนานๆหน่อยอ๋อขาโมทนาด้วยนะครับขาทุกคนรวงโมทนาด้วยเพรายังไม่ทําแล้วอาถูกเาตั้งใจไปมดอะไรตั้งยังไม่ถึงมือนี่โมได้เลยครับได้แล้วโมมีได้หมดเอ่อโมทนาอังพุกเวปุญญธรามิทุานเจ้าบอกว่าพิสุทธั้งหลายคำว่าบุญมาจากความตั้งใจเพราะตั้งใจแน่นอนบุญมัเกิดทันที เป็นคนที่ตั้งใจจะทำบุญยังไม่ได้ทามาตายเวลานั้นแล้วไปสองรยอร์เนได้ผลหรอครับใช่พระขาทุนแหมรีบบอกเลยนะใช่ขาทุนมาหลายลายแล้ว๋อหลายลายครับยังยังนีงไม่น่าเทศนจะสร้างบุตรีจะสร้างให้ตั้งมาสิบบาทบุติีราคาตั้งล้านอรีบตายเลยครับก็ได้เลยได้แค่ติบาทนั่นเองเหรอยังดี ยังได้มั่งทีก็พูดที่ตั้งใจที่ยังไม่ทันได้ไให้ครับครับก็ตกลงว่าเพียงแต่ตั้งใจจะถาวายจะให้เราก็ได้บุญแล้วตอนนี้ไฟพวกเราเลิกเอาปัจจัยถวายหลวงพ่อเราเอาตั้งใจอย่างเดียวดูซิหลวงพ่อจะนี้หมดทุเปล่าแล้เจ้าขอแกไม่จะกินอะไรกินใจอย่างเดียวเกิดไม่ช้านหน้าหาวบอดบอดอย่างับตัวอย่างในสมบูรณ์ใช่ไห ม, นะมเกิดมาไม่ไดีอะ<ๆ>ไรใกินเลยอุย <c oughs> เราเกิดมานี่นะครั บ, บ, บไม่มีขเขาก็ไปทิ้งไปกางป่าถ<อ>้าใส่บุญนี่ยะไปอะไรน่ามีอยู่เพราะว่าในชาติก่อนถือว่าทานในเมรุสูงต่ําครัำแค่สวรรค์ใช่นหมแต่ความจริงเฉพาะทานกับวิพญานได้จะไม่เข้าใจอันนี้นกือรักษาจาสิ่งกับภาวนาขาดการให้ทาน<อ>เกิดมาชาติหลังถ้อไม่มีทรัพย์สินจะกินอะไรก็ไม่ได้กินครับก็ออกมาแล้วเขาไปทิ้งกลงป่าถ<อ>าใส่บุญรักษา กัดก็ไม่กัดไทยก็ไปทําลายตายก็ไม่ตา ย, า ต, ายาต่อมาก็เป็นหนุ่มพอเดินได้นไ ห, หมไอเจ๊เขาพอดบุตรเขาล็อกปฝังไปกินล็อกข้างเดียวแต่ต่อมาก็มีความรู้สึกว่าการเป็นพราวาสไม่ดีทิ้าจะมีความสุขใช่ไหมก็ไปบวชครัะคุปชะจะเป็นพระอรหันต์เป็นสังฆา ย, ยานวันแรกไทยนั่งไทยยืนท้ายคนใส่บาตรตัตอนต้นพอจะถึงองค์ท้ายข้าหมด อยปู่ชาก็บอกว่าเออวันวันลุกขึ้นลุงชาบอกเอางี้แล้วกันคุณวันวันนี้เขาใส่ไฝถึงท้ายหมดไปยินหน้าแข่ก็แล้วกันโอ้นำหน้าโอ้ใครมาใส่ได้จะได้หมดะนะยังไงกต้องได้ก่อนใครก็ต้องได้ก่อนไอ้เจ้าพวกใครบอยคิดว่ามวันวานได้ใส่ท้ายหน้ามาถึงท้าย <laughs> <laughs> วันนี้เราใส่ท้ายไปหาหน้าถือว่าอพอจะถึงองหน้าหมดอีกเอ <laughs> เป็นแม่ขาดพันนะถ้าต่อมาวันที่สามอาจารย์บอกโอชาบอกคุณยืนกลางมันจะใสทางไหนต้องพบตรงนั้นก็ยืนกลางไอ้แก้วคุณใสบอตเมืวันก่อนใสหน้าไม่ถึงหลังว mm. ันที่วันที่สองใสหลังไม่ถึงหน้าวันนี cause, ick, Sole Hat same, ้เราแบ่งเป็นสองพวกอต่หน้าพวกหลังเพวกเพราะยึดถือกลางหมดทีโอ้โหแล้วก็ต่อมาอีกวันที่สี่โอ้ชาบอกใจยืนข้างฉันก็แล้วกัน เขาใส่บาทโอที่หนึ่งไม่เห็นโอที่สองใส่บาทที่สามโอทอีกโอทอีกเหรอโอทอีกตีแล้วน้ำว่าใช่แล้วตอบ้าโอชาต้องมือจับบาทเขาจึงมองเห็นบาทเนี่ยเพราะว่าตั้งใจอย่างเดียวจะไม่ดีนะนี่นี่เอาเรื่องนี้มาขู่ป่านไม่ใช่ไู่ด้ขูจริงมันมีอเอ้นความตั้งใจ อย่างเดียวนะผมไม่ได้เรื่องเลย <X X> ไปเดี๋ยวไปนั่งข้างหน้าข้างหลังอดนั่งนั่งกลางก็อดจิกเคียงข้างก็อดจิก <X X> ใชใชท <X X> ี่หน้าเราเอธิโอเปียเพได้แต่ตั้งใจไม่ค่อยได้ทํ <X X> าแล้วต่อไปก็เป็นพระอรหันต์นะอ้าอแล้วไม่ได้ดีได้ยังไงครับก็มีสิ่งภาวนาเลยลลย<อ>เป็นอรหันต์แต่ได้ไ่เคยข้าวกินกำหายไปอ๋อตอนตอนยังไม่เป็นนั่นน่าจต้องซ้อมก่อนโอ้ก็ไอ้โลกที้เหนียวอะอ่าอ่ะ อย่ายกทรงเลยหมุนนาแต่ชวนจะบ่ายเขาทีนี้ให้จะบ้ายพักเขหมดตลยเนี่ยครับครับโอ้ต่อไปนี้ไม่เอาเลยฉันที่พูดฉันเมตตานะน่นแน้าเอาความดีซะด้วยเนี่ยเมตตาฉันเนี่ยอ้โหนึกว่จะเมตตายกทรงอ่าวเป็นนั้นว่าวันนี้เราก็ได้บุญตลีจากการโมทนาอะไรคุณหมอสอีธนชัยเลยนะ พระละใจนนใจนะอ่าดีนะ้พอดีใจปั้มอ้าวแล้วมีข้อที่สองว่าอย่างนี้กรผมเอาเงินที่ได้กำไรจากการเล่นหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นแบ่งมาทำบุญถามว่าจะได้อา น, นิสงส์มสมบูรณ์แบบหรือไม่อันนี้ก็ครอบสุวนน ะ, ะเพราะไม่มีอะไรเป็นบาทมันตรงไปตรงมาโอไม่ใช่โกงไปโกงมาอ ะ, อะไร พุ่นเวลาราคาลดเราก็ซื้อใช่ไหใชาคาขึ้นแล้วขายปกติตรงไปตรงมาไม่เป็นไรตอบรองว่าได้ผลได้บุญสมบูรณ์แบบนะใช่ใช่แต่ละอย่างประเภทเพี้ยแนฉก็คงสมแบบเพี้ยแฉก็สมบูรแบบก็ไม่เด้โกงเขาอ่ะโอ้โหโงวัดนี้แปลกนะอะไรอะไรก็ดีหมดสมบูรณ์แบบหมดน เรื่อนเท้าไหวแล้วไม่มีอะไรผิดแบบเลยนะไม่ผิดที่ต้องคิดไปยังไงเว้นแต่ตั้งใจแล้วไม่ค่อยทำยังไม่ค่อยจะถูกแบบถูกด้วยกันถูกนานๆนานๆถูกกว่าจะได้เกือบซี่แง่แก่เลยนะอับตาจันรถพ่อครับเออ่คยได้ยินคําแนะนําไม่ทราบประจักหลวงพ่อหรือองค์ไหนว่าการที่จะเอารถเข้ามาไว้ที่บ้านวันอาทิตย์ไม่สะดวกกันจะใช้วัระหัสได้หรือเปล่า แล้วเพื่อความปลอดภัยของรถควรจะมีมงคลวัตถุของหลวงพ่ออย่างใดอย่างหนึ่งข อ, อให้หลวงพ่อแนะนำด้วยหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเราไม่ชนเขาเขาไม่ชนเราและเราและเขาไม่ชนกันอ่าอ่าเอางี้แลกาันจะให้เลยนะคระพรตั้งใจเป็นมงคลให้มงคลอยู่ที่ใจอย่าเผล อ, น, อนี่มงคลแท้เลยนะที่อย่างแท้มงคลพระเจ้าต้องยู่ที่ใจอ่ากับ ไม่เผลอเอาไว้ที่บ้านก็ไม่เผลอจอดไว้ก็ไม่เผลออพีมไปก็ไม่เผลออตัวเอ่อ ต, ตัวไม่เผลอนี่คือตัวที่ไม่ไมเป็นมงคลเป็นมงคลอ๋อเป็นมงคลนะให้ตกลงว่าจะออกวันไหนยังไงก็ได้ไไดใช่ได้ได้เขาเรียกมงคลที่สามที่เก้าอ่ะเมกี้ก็ให้มาห้าเก้านะอ <og> เอาแล้วเหมือนแล้วมีเก้าอยู่เอาแล้วเออ อ้าตกลงนะเมื่อไรเวลาไหนก็ได้ขอให้ใจสบายแต่แต่ไมีรู้ครั้งหนึ่งผมจําได้ว่าอ่าผมอับใครผมเอารถมาให้เติมแล้วก็เราก็ยังแนะนําบอกว่าอะไรผ้ายันอะไรอยแดงๆเดี๋ยใช่ผ้าใยสังเคราะห์ใช่ใช่ใ่อย่างนี้ทางเขาประกบกับผ้าใยสังเคราะห์ได้โอ้ายายามย้ำยาวเสืออยู่นะใช่ใจนี่มงคลใหญ่ครับมงคลใหญ่ถ้าเพลอก็ มหามงคลเลยตัวไายตัวมันกันเลยกันอ่หลวงพ่อขอรับตามที่กระผมได้ไปาหาเจ้าวาดพระสเวกกษัตริย์เพื่อให้ทําพิธีสะดอกก็มีลาหูเข้าลาหูแรดนั้นพอบอกว่าลูกเป็นศิษย์ของหลวงพ่อโอ้ยท่านดีอกดีใจเอาภาพเก่ามาให้ดูเคยถ่ายคู่กันไว้ในอดีต เอาไอ้นนท์มาให้กินเอาไอ้นี่มาให้แจกหนังสือแจกละท่านสรรเสริญหลวงพ่อเป็นการใหญ่อ่าที่เรียนมานี้ก็เพื่อจะบอกให้หลวงพ่อว่าเจ้าวาดพระสเวกขาศท่านรักหลวงพ่อมากขอให้หลวงพ่อรักตนด้วยเจ้าพระนี่แต่งงานกับละตกลงตกลงรักอยู่แล้วโอ้ถ้าจเป็นสมัยมหามหามันนั่งท่านใจดีมากโอ้เป็นประเด็นนะคนึ่งเก้าเก้าเลยนะใช่ใช่ แต่ไม่ใช่พะธรรมดามนพระมีฤทธิ์แม่มีอยังไงัหลวงพ่อครับมีอ่างี้พอรูนระเบิดลงวัดปังคนหน้าเหาะหมดเลยไม่ได้กลับอีกเลยตั้งใจจะไปอยู่บางไทรเขาเดินมาอยู่จังหวัดนนท์เลยไปเจ้าคุณนี้นั่นแล้วก็ย้ายมาแล้วเลยเลยเลยเดขั้มีฤทธิ์มากครับพอลงปังไปพุ่มเลยลงปังเหาะไม่กลับเลยคนก็ไมกลัวตายนั่นนะไม่ตัว ก็ไม่กลัวตายกลัวรุนเบ่อย่างเดียวอ๋อปกติเป็นพระใจใจดีเหมือนหวงพ่อเใช่ใจดีมากลุกเสรยกมากโอ้สอนหนังสือดีโอแล้วก็เป็นปีญาติสาหิยุหลวงพ่อใช่ใช่โอ้โหี้ใครตกทุกข์ได้ยาก้าเราบอกไปบอกท่านเลยบอกว่าข้าแต่หลวงพ่อว่าสวกระชากผู้เจริญกระผมอยากจะได้เงินสักันบาทผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรู้สึวาสาผมจะรับเอ๊ะเข้าท่าท่านให้แน่ให้อะไรครับ ให้วาจาก็<อ>กลับไปได้จ้ะ <c oughs> ตกลงก็ฟรีไม่ได้นะกล <c oughs> นะับก็เป็นพระดีนะตรงนี้ใจเห็นอ้าวต่อไปโ อ, อ้ลูกไม่สบายใจเกี่ยวกับอะไรนอตสตาดา ม, มันมุ์อะไรก็บอกว่ามั <c oughs> นจะเไง <c oughs> นะไหน ไม่มาตาดามุดตากดาบไม่เจอโอ้ไม่ไหวเลยเมืองนอกเมืองนานอ๊อตาดามุดนะอันนี้ยังไม่เคยไปต่างประเทศภาษาอังกฤษก็กลับวัดหมดแล้วเขาพยากรณ์ว่าจะเกิดไอ้นั่นเกิดไอ้นี่กันไอ้นี่ลูกไม่ห่วงเนอกไอ้ที่ห่วงก็คือว่า อาประเทศไทยจะมีหุ้นส่วนหรือเปล่าแล้วก็ลูกควรจะเอาอะไรจากหรงพ่อเพื่อจะป้องกันเหตุายเหล่านี้ให้มันออกไปจากเมืองไทยถูกใจขัญใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วขวัญก็เอาขวัญอย่างล้าวมีอะไรที่แจกให้คุ้มได้มีรุ่นหังหมากมช่ไหมขางหมากแล้วคำข้าวนะเนั้นก็แสดงว่า เออคงจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีอย่างนี้จึงท่านบอกว่าตั้งแต่ปีโยนแตกทีแรกหลายหลายปีปีโยนแตกนะอเมริกาอหกไปนะฉันถามท่านท่านบอกจะเกิดที่นั่นถ้ากระสั่งทำพระชุดนี้ทำทำข้าวนะที่คุ้มได้เลยจะเอายางสีต่างๆทั้งหมดอาวุธวิทยาศาสตร์ทั้งหมดกันได้หมด นี่มาอ่าสงเคราะ์โดยตรงเลยนะครับใช่ถ้าไม่ให้ตังก็ไม่ให้บูชาแล้วประเจบูชังพระตะโกรประสิแธิว่นานกู้บูชาเนี่ยการบูชาตอบผู้ไหว้รับการไหว้ตอบที่เขาให้มาแล้วก็ให้ไปอ๋อไม่ได้มีการอ่าใช่เขาไม่ให้มาเราก็ไม่ให้ไปไโอ้นี่โอตรงไปตรงมาเลยนะใช่ใชโอ้นี่พระใจดีเงี่หา่ายากนะไม่ให้มาเขาไม่ต้องให้ไปนะใช่ครับครับ อ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะลูกหลานหลวงพ่อนะอ่าทีนี้ก็ถามวิกนิดหนึงว่าแล้วอพร ะ, ะทั้งสองอย่างคือหลวงพ่อมหาราบกับหลวงพ่อหางหมากนี่พอจะมีทางป้องกันแก๊สได้หรือเปล่าเจ้าพระโอได้แน่เยเพอาะยืนยัน ก, กันไะด้แก๊สนะใช่นิวเคลียร์ยังกันได้แก๊สก็แค่น้ำยากกว่าอ้โอ้แก๊สเป็เรื่องเล็กไปแล้วนะใช่ใช ไม้ลงเลยครับไมเนี่ไอ้ไอ้ไอ้ที่ริงแค่ไอ้นนเวชบุรีมันไม่รู้นะถ้ามีรู้ว่าไปให้แจกคนลงต้องใส่คนจะไม่ต้องเจอแก๊สนะคราบโอเจ้าเก่งมากเงครับบายไดได้เก่งมาเจ้าเอาลูกเก่งมากไปแจ้งเาไปเลยอาจารย์ถึงหลวงพ่อสุดบูชาของลูกไม่อาจารย์สุดบูชาเลยนะอื ว่าลูกเป็นคนที่รักพ่อพ่อก็รักลูกมากที่สุดใกล้ที่สึดกันละกันทําบุญทำกุศลทุกครั้งก็ไปด้วยกันร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาหาหลวงพ่อเป็นประจำแต่ว่าท่านเสียไปแล้วอันนี้ไม่สงสัยแต่มาสงสัยว่าการอุทิศส่วนกุศลของลู ก, ท, ท, กทุกครั้งที่ไปให้ท่านเป็นเวลาชานานแล้วเพราะเหตุะไหนหนอจึงไม่ยอมมาเข้าฝันบอกเลยว่า รับหรือไม่รับหรืออย่างไรขอหลวงพ่อช่วยสองพ่อลูกด้วยเถิดลูกที่บอกว่าไม่มาเข้าฝันนั่นไม่จริงเลยมาจะรับไได้อ๋อแสดงว่าเครื่องส่งมาแต่เครื่องรับรับไม่จิงอ๋อมีก็ต้องแก้ที่เครื่องเครื่องีเครื่องใส่ความจริงก็ฝึกมโนสัหน่อยเข้ามาไปพกกันเลยนะเฮ้ยจะได้จะได้วิชามีไม่ยอมฝึกหน้าอาจะสองปอลองพ่อ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 จะมีการทำบุญหรือปฏิบัติแบบไหนฝันก็ฝันดีตายแล้วก็ไปที่ดี ด, ด้วยเจ้า่ะภา ว, วนาพุทโธไวถ้าฝันจะชนะตายก็ไปดีภ<อ>าวนาพุโทโธในเวลาฝันมาลบกับใครเนี่ยชนะทุกทีไม่เชื่อลองฝันดูดิมีทดสอบได้เลยทดสอบได้อเอาทุกคนฝันเลยอ นี่เป็นเรื่องจริงนะใช่ครับครับผมคว่าฝันดีฝันดีนี่ยเพาะพราภาวนานี่เองนะใช่ใช่โอครับเนี่ยมีคนเป็นส่วนมากในลูกหลานแลวกพอชอบถามเอ๊ะทำไมุูทิดไปตกหลายครั้งหลายคร้งไม่ยอมมาเข้าฝันที่จริงเครื่องลับเครื่องลับเราไม่อมาแต่เมากคนตายจะทำให้ลงนรกเลยทันทีนะครับโอ้พอตายปั๊บพอเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วทุกรายเหมือนกันหมดครับคับนี่เงี้ ยิ่ถ้าหากว่าสมัยลูกพ่อเขคงจะต้องไปเยี่ยมย่ะเยี่ยมทุกคนอย่างเง่้ยสมมติถาหลวงพ่อเกิดปุ๊บปั๊บไปนี้ก็ต้องไปเยี่ยมทุกคนหมดเลยเกิดเจะตายไม่เกิดได้เกิดแล้วนะเกิดแล้วเหรอเกิดแล้วเกิด้ดจะตายงั้งโกเอาเกิดดีกว่านะเอาเป็นว่าถ้าตายปุ๊บไปเจ๊ไหมครับครับกไปเยี่ยมทุกคนตอนปีสอง โอ้เลือกเวลาหมอกอเลยนะใช่เลพ่อยกทรงอรัถ้าถ้าถ้าหลวงพ่อจะไปขอได้โปรดแม่ตาชุดเดกเี๋ยวก่อนอเอาตอนนี้ตอนเช้าเขาช่วงครับโอ้ตอนเข้ายกทรงเลยยกทรงยกทส ง, <laughs> งสัยลืมล้างตูนแน่วันนี้น <laughs> เอ๊ะทำไมเวลาอยู่เป็นๆอุ้ยรักคนรักน้ำืออุ้ย ย, ยงเงเขาเวลาตาเก็ถึงให้ัวกันไปได้นะกลัวชาญเกาห<อ>ลอกมาตั้งเด็กๆเขหลอกมาอะไรชั่วคนแล้วกากๆแต่ความจริงได้เห<ด>็นผ<ด>ีก็บอกว่ามีลาบนะใ่ขอหวยเลยจะดีกว่าน ะ, ะผมตั้งก่องไมเหมนมาตั้งตีอ่าผ่านไปทีนี้อะไรอ่าหลวงพ่อเขารักก <c oughs> ับผมได้บนกับ พระบรมศาลีลริกธาทาที่วัดไว้ว่าถ้ากระผมเรียนจบเมื่อไรจะบวชทันทีไม่ยอมสึก อ, อีนี้ผมเรียนจบแล้วแต่ว่าผมยังไม่พร้อมจะบวชครับซึ่งต้องทำงานสองมีภาระร้อยแดไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถึงจะสามารถแก้คำที่บนไว้ได้เอาเง<อ>ี้แล้วกันยังไงดีครับจุดโ่ว บ, บอกทันไหม พอจบแล้วยังไม่ว่างพอใกล้จะใกล้สมวันจะตายจะบวชโอ้โหจะทุกข์อีกโอบอกใหม่นะขราบทราบทราบเนี่ยไอเวลาจะบนญเราไม่ได้ลองก็กลับว่จะแก้ได้หรือไม่ไอเวลาแล้วก็มีปัญหาโดยเฉพาะที่ว่าถ้าสูงนี่ประจําเลยมพราเวลาน่าก็บบุญบุญบบุบเวลาจะแก้น่ะต้องทอดจะขาฉันบ่นอะไรว่าจะข้ามนะเคยเจอไหลรายโอ้โไหลร้ายมีกระแท้เดียวกันนะ ก็เป็นนั้นว่าทำไงกระจุ่บทูบอกใหม่เหรอกะุ่บทบอกใหม่เ<อ>พราะอิสา ม, มันจะตายจะไปจะบวชแหมพอดีเลยนะเพราะเริม <c oughs> กโกนจุกก็พอดีไปเลยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมหลงในทางไสยศาสตร์เลี้ยงรักโยมกุมารไว้เป็นอย่างมากปัจจุบันนี้ผมปล่อยเฉยๆไว้เพราะว่าผมมานับถือรลวก็อ จะเอาไปทิ้งก็เสียดายจะเอาไว้ก็ไม่ได้บูชาอะไรเพราะมายึดถือธรรมะเป็นใหญ่อ่าจะเรียนถานลุงพ่อก็คือว่าการจะปรปทำ<อ>หมอผสมอย่างนี้เขาจะมากลั่นแกล้งหรือทําโทษคนในบ้านหรือเปล่าหรือจะทำอย่างไรดีขอรักบถามใหม่ครับใหม่ถามใหม่เลยอ๋อถามใหม่เหรอฮะหรือว่าเมื่อก่อนอสรุปเลยเพราะว่าเพราะก่อนนี้ก็คือเขาเลี้ยงรักจมไว้ พอมาเรียนกับหลวงพ่อปฏิบัติกับหลวงพ่อก็เลยเอาธรรมะเป็นใหญ่ก็ปล่อยให้นั่นแช่เย็นไว้อไม่เลี้ยงไม่ดูปล่อยตามเรื่องตามราวแกก็ไม่อยู่อ๋อไปเองอ๋อไปได้เหรอครับแกไปได้ตอนที่แกหุ่นก็อยู่ในขวดมันอยู่แค่หุ่นถ้าตัวจริงๆเขาไม่อยู่แล้วเพราะถ้าเขินอยู่เขาทำอะไรไม่ได้เขาแกล้งเราก็แกล้งไม่ได้ดีกพ่าอย่างนีนถ้าม่ยันตเพลสนะจัดรอยโ แสดงอะไรไม่ได้เลยเนไม่ได้เลยอพาอย่างนั้นขัาเข้าไปแล้วก็จํจำเลินลงเอาขายเลยดีกว่าตอนนี้ผมรวยเพราะองค์เนี้ยโอ้ไม่เชื่อตรงนึงผมถูระวันที่หนึ่งทั้งหลายครั้งแล้วโอ้ยถูตัวเดียวอ๋อตัววิ่งเหระไม่ใช่ซื้อมาเป็นใบแจมถูตัวเดียวโอ้โหโอยอย่างนี้ก็ไป่กหกนับประ พูตัวเดียวนะใ ช, ช่ครับเป็นอะไรสบายใจก็ไปแค่บางทีแล้วมีอะไรอ่ะืตัวหลิวจิ๋วเลยเปาลากระเท้าหลวงพ่อที่ก็รบอย่างสูงตอนนี้ลูกชักเปรี้ยวปากอะไรอยากจะเป็นพระโสดาบันนันแน่เปรี้ยวปากอยากจะเป็นพระโสดาบัน <c oughs> ให้เต็มขั้นสักที อ๋อตอนนี้ยังไม่เต็มขั้นนะคือทำสอนครูหลวงพ่ออะไรอะไรลูกก็ทำได้หมดแล้วแต่มีอยู่อย่างเดียวคือสินห้าข้อที่หนึ่งไอกาจุวกับมดลูกไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยทั้งๆ ท, ที่ไม่เจตนาวันก็หลายตัว <c oughs> ทีนี้มันเข้าไปในห้องนอนทำให้ลูกลำบากเป็นอย่างมากลูกอยากจะขอพึ้นบา ร, รมีหลวงพ่อว่า ถ้าลูกจะมัดสินข้อนี้แล้วลูกจะเป็นพระโสดาบันสักครึ่งหนึ่งพอจะได้ไหมเจ้าค่ะเป็นได้มากกว่าครึ้นพโสดาบันในสินห้าใช่ไมครับครับนี่เรามีสินสี่เขามากกว่าคึ่งอ้โอ้สี่ก็เอานี้ที่ที่ไับเ้าผงกันมดไปโรยทั้งทาทีนอนโอทั้งหมดเรื่องของเราไกันกันก็ก่อนใช่ใช่กันก่อนนะ เอแต่แต่ถ้าหากว่าเราฆ่าไม่เจตนาในสินสินไม่ขาดอ๋องั้นก็เป็นผู้เหาได้ตรงนี้นใช่ๆอรบหลวงพ่อเจ้าขาวันนี้ลูกขอสารภาพบาปความผิดของลูกที่มีต่อหลวงพ่อจะมากราบโดยตรงก็เกรงใจเพราะอายหลวงพ่อใช่ได้ใช่ได้เนื่องเนื่องเเนื่องจากว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งลูกไปถวายสังฆทานที่วัดท่าตุง ที่มีงานคนเยอะๆต้องเข้าทิ้เข้าคิ้วแถวยาวเป็นอย่างมากในขณะที่ถึงตอนลูกเข้าไปถวายขอลูกถวายปุ๊บมันก็ตดออกมาทันที <c oughs> แล้วผ่าตดตอนที่ลูกถวายหลวงพ่อเสียด้วยลูกคิดว่าสรนนฐานของลูกนี้คงได้ผลไม่สมบูรณ์แบบคงจะเป็นการปลามาตดกับหลวงพ่อเป็นอย่างมากจึงขอสารภาพบาปและขอพมาลาโทษกับหลวงพ่อด้วยเจา้าพระทจ้าความจริงไม่บาปนะ ตดี่ไม่บักไม่บาปตดไม่ได้แขล้งให้ตอดห้าไม่ได้แล้วประการใน่สองตดถึงเครื่องยืนยันอ้าวแล้วก็ใจไม่จะบาปใหม่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถือว่ายืนยันยืนยันยังไงครับยืนยันแผ่นป่าพูาไงโอ้ก็มีความร้อนเลวนะพุดโอ้ตอดจะเป็นกุศลได้ไหมอ่าเป็นสิ ไม่ตอนไหนันก็ไปออกไปออกอีตอนถวายสังฆทานก็ไม่เป็นไรนะบาปบาไม่บาปไม่ต้องขอเขามาหรอกไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรเป็นโทษครับครันี่นี่นี่เป็นตดผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชาจริงกว่านี้อีกอีตอนที่ผมเป็นแพะอยู่วัดมหาธาตุนะไม่ให้มาตอไหนจะไลก็นไปตดเพราะมากล่าวผมคลื่นไอหมากระเมียเมียไปล่างทรงด้วยไม่ได้พ่อไม่ได้พ่อเข้าทันทีเลยผม หม่อมลูกจะตดดังนะไม่ไม่ครับแม่ไอ้ล้าก็เลยคอยโมทนาไปด้วยเลยเขาเรียกหัวว่าหม่อมลูกจะตดดังนะทําไมเขาว่าเขาเขตวัดเขห้ามตดเขาว่าห่างเลอก็นับเพดีอดีตอนเป็นป้าก็เจอพิศดารเยอะเหมือนกันก็เป็นอาว่าขอนโมทนาอ้าวนี่ต่อไปขอขานนิดเดียว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 แล้วบอกให้หลวงพ่อเอาโหสิกรมให้แก่คนที่ยืนไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นหลวงพ่อจะรักเงินสองพันได้ไหมเจา้าฟราเนื้วก่อยเอางี้ดีกว่าาอออยงไพให้ไปถึกโมโนยิธินะถ้าไปติดต่อกับคงพ่อก็เป็นนี่กับใครกันแม่อถ้าจะบอกมาไปให้คนนั้นเขาถ้าเขาไม่เอามาให้ฉันอ๋อที่พูดเผือบไว้เลยเลยนะใช่ใชโอ้ <laughs> อย่างนี้เขาเรียกโมโนเกื่อนะใช่เอางั้นนะจะไม่ได้เหมือนับ